วันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการเป็นวันจักรีญาติโยมเลยไม่ต้องไปทำงานไปทำภารกิจต่างๆมีเวลาว่างที่จะมาวัดกันการมาวัดนี้ก็เพื่อมาหาพระพุทธเจ้ามาหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือมหาพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นเหมือนกับผู้ที่ตาดีผู้ที่เห็นอะไรต่างๆส่วนพวกเรานี่เป็นเหมือนพวกคนตาบอดยังมองอะไรไม่เห็นถ้าให้ลองหลับตาแล้วเดินกลับไปขึ้นรถ ด, ดูดูซิว่าจะเดินไปถึงรถหรือไม่ ต้องมีคนตาดีพาไปถ้าเราตาบอดเราจะไปไหนมาไหนเราก็ต้องอาศัยคนตาดีเป็นคนบอกทางนำทางเราไปชั้นใดใจของเราซึ่งเป็นตาในก็ตอนนี้บอดอยู่บอดด้วยความหลงบอดด้วยความไม่รู้คือโมหะอวิชชา ที่เป็นเหมือนผ้ามัดปิดตาเราเอาไว้ทำให้เรามองไม่เห็นว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์เราจึงต้องเข้าหาคนตาดีเพราะตอนนี้เราเดินเข้าหาความทุกข์กันเหมือนกับเวลาเราหลับตาแล้ว เ, เดินไปขึ้นรถนี้เราก็จะไม่รู้ว่าทางอยู่ตรงไหนร่องน้ำอยู่ตรงไหน ต้นไม้อยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนเราก็จะเดินไปตกล่องน้ำบ้างไปเดินชนต้นไม้บ้างไปเดินชนคนนั้นคนนี้บ้างสร้างความทุกข์ให้กับเราแตนะ่ถ้าเรามีคนบอกทางมีคนพาเราไปพอเราจะเดินตกล่องน้ำก็เขาก็บอกว่าอย่าเดินไปตรงนั้น พอจะเดินไปชนสิ่งนั้นก็บอกว่าอยากไปทไันใดใจของพวกเราที่กําลังหาความสุขกันอยู่นี้ยังมองไม่เห็นความสุขว่าอยู่ตรงไหนกันเราก็เลยไปหาความทุกกันโดยคิดว่ามันเป็นความสุขกัน ทุกวันนี้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์กันมีใครไม่มีความทุกข์บ้างพราะเรามีความทุกข์ทั้งๆ ท, ที่เราคิดว่าเรากำลังไปหาความสุขกันเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราไปหานะั้นมันเป็นความทุกข์เรากลับไปคิดว่ามันเป็นความสุขเราจึงทุกข์กัน ถ้าเราไม่มีพระคนตาดีอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาบอกพวกเราเราจะไม่รู้กันถึงแม้บอกแล้วพวกเราก็ยังไม่อยากจะทำตามคนตาดีบอกเพราะยังไม่เชื่อหรือว่ายังไม่ทุกข์จริงๆยังไม่เจอความทุกข์แบบแบบสุดๆแบบโหดๆ แบบอยากจะท่าตัวตายถ้าเจอความทุกข์แบบนั้นแล้วถึงอยากถึงจะเชื่อคนตาดีถึงจะปฏิบัติตางที่คนตาดีสอนให้ปฏิบัติแต่ถ้าทุกข์แบบทุกทุกสลับไปกับความสุขสามวันดีสี่วันไข่สามวันทุกข์สี่วันสุขก็ยังพอถูไถยไปกับมัน ก็เลยไม่ค่อยเชื่อคนตาดีกันก็เลยต้องติดอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆสิ่งที่พวกเรากาลังทุกกันคืออะไรก็ราบยศ ส, สรเส ร, ร, ริญกับลูกเสียงเก็บรอต่างๆที่พวกเราคิดว่าเป็นความสุขกันราบก็คืออะไรราบก็คือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ยศคืออะไรก็คือตำแหน่งต่างๆ ต, ตำแหน่งเช่นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐมนตรีเป็นสอสอเป็นอธิบดีเป็นผู้ว่าเป็นอะไรต่างๆเหล่ า, านี้เรียกว่ายศหรืถ้าเป็นอาหารตำรวจก็มีในร้อยในพันในพั คำเนีตงต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่ายศแล้วก็แล้วก็ติดคําสรรเสริญเยินยอชอบคําสรรเสริญเยินเยอเพราะเวลาได้ยินใครเขายกย่องสรรเสริญแล้วดีใจยิ้มใครชมว่าเราสวยหน่อยโอยิ้มไปทั้งวันมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็มีความสุขกับลูกเสียงเกล็ดรดต่างๆ เวลาเราเห็นรูปที่เราชอบเห็นรูปสวยงามเราก็มีความสุขเวลาได้ยินเสียงไพเราะก็มีความสุขเวลาได้ลิ้มรสรสที่ที่ถูกใจก็มีความสุขเวลาได้นมกลิ่นกลิ่นหอมก็มีความสุขนี่คือสิ่งที่เราหากันเพราะเราคิดว่ามันให้ความสุขกับเราแต่เรา กับต้องมาท่กกับสิ่งเหล่านี้โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะอะไรเพราะเวลาสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันเสื่อมไปหายไปหรือหมดไปเช่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเวลาได้มานี่ดีออกดีใจกันแต่พอเวลามันหมดนี่ก็เสียออกเสียใจกัน บางทียังไม่ทันหมดเพียงแต่คิดว่ามันจะหมดก็ไม่สบายใจแล้วมีความวิตกมีความกังวลต่างๆขึ้นมาความวิตกกังวลก็เป็นความทุกข์อีกอย่างเวลาที่สูญเสียก็เป็นความทุกข์อีกอย่างเลยนี่คือเรื่องของลาเนีบคือทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองต่างๆ นอกจากจะให้ความสุขกับเราแล้วมันก็สามารถที่จะพลิกกลับให้ให้ความทุกข์กับเราได้โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราไม่รู้ว่าเมื่ อ, อไหร่มันจะเกิดขึ้นวันดีคืนดีมันก็หายไปได้หมดไปได้สิ้นเนื้อประดาตัวได้เช่นเดียวกับยศกับตําแหน่งต่งตางๆเดี๋ยวก็เมีการเปลี่ยนแปลง มีการปลดกันมีอะไรมีขึ้นมีลงมีเลื่อนขึ้นมีเลื่อนลงกันเวลาขึ้นก็ดีใจแต่เวลาลงก็เสียใจเช่นเดียวกับสรรเสริญเวลาที่คนที่เคยสรรเสริญเราเขากลับมาว่าเรากลับมาตำหนิเราเราก็จะเสียออกเสียใจ หรอเขาไม่ชมเราไม่ ส, สรรรสนเราก็เสียใจถ้าเขาเคยแต่ชมเคยแต่ ส, สรรรสญพออยู่เฉยๆพ อ, พอเขาไม่ชมเขาอยู่เฉยๆไม่พูดอะไรแล้วก็เริ่มวิตกกังวลแล้วเป็นอะไรไปทําไมไม่ ส, สรรรสนไม่ชื่นชมเหมือนเมื่อก่อนนี้เช่นเดียวกับรูปที่เราดึงที่เราเห็น ถ้าเราไปเห็นรูปไม่สวยเราก็ไม่เราก็ไม่สบายใจได้ยินเสียงที่ไม่ไพเราะก็ไม่สบายใจได้ดมกลิ่นเหม็นก็ไม่สบายใจได้ริมรถที่ไม่ถูกใจก็ไม่สบายใจได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายที่มันไม่ถูกใจก็ไม่สบายใจเนี่ยคือของเหล่านี้มัน ไม่ใช่จะให้แต่ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวมันสามารถพลิกเป็นความทุกข์ให้กับเราได้ที่เราทุกข์กันเพราะข้อสิ่งเหล่านี้มันพลิกไปมันเปลี่ยนไปมันหมกไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรพราตั้งแต่เกิดมาเราก็ถูกสอนให้หาความสุขแบบนี้กันไม่มีใครสอนให้ไปหาความสุขแบบอื่นกัน เพราะไม่มีใครรู้ว่ามีความสุขแบบอื่นหรือไม่พวกเราก็เลยต้องพบกับความสุขแบบนี้กันสุขสุขเดิดดสามวันดีสี่วันข้่ยสามวันสุขสี่วันทุกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปจนวันตายแล้วก็ตายแล้วก็ยังไม่จบตายแล้วก็ยังกลับมาเกิดใหม่ กลับมามีร่างกายเพื่อที่จะได้หาราบยศสารเสรยงหาลูกเสียงเก็บลอดต่างๆอย่างนี้อีกโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนเลยเพราะเราเคยทำมาอย่างชำนาญติดมาเป็นนิสัยเรื่องการหาราบยศสรยารเสียงหาลูกเสียงเก็บลอดนี้พ่อแม่ไม่ต้องสั่งไม่ต้องสอนทุกคนรู้เวลาที่ได้เห็นอะไรได้ ดูอะไรได้ยินอะไรที่ถูกใจก็อยากจะได้ขึ้นมาทันทีเ <c oughs> พราะได้แล้วมันมีความสุขแต่ไม่เคยคิดถึงว่าเวลามันหมดไปเวลามันเปลี่ยนไปจำไม่ได้เกิดมากี่ภพกี่ชาติมาทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรดมากี่ครั้งสี่าวก็จำไม่ได้หรือไม่เข็ดก็ไม่ทราบ สูญเสียอะไรไปร้องห hom ร้องไห้ไปสักครั้ง่งเดี๋ยวพอได้ามาใหม่ก็ลืมไปแล้ก็ดีใจแล้ว mm hmm. เพราะว่าเราต้องมีสิ่งเหล่านี้หล่อเลี้ยงจิตใจเราให้ความสุขกับเรา mm hmm. เป็นเหมือนกับลมหายใจ <c oughs> ถ้าเราขาดลาบยศ ส, สรรสญขาดรูปเสียงเก็บรอดแล้วนี้ mm hmm. เราจะเหมือนคนตาย <c oughs> ถ้าเราต้องไปอยู่แบบคนยากจนอยู่แบบขอทาน อยู่แบบคนติดคุกติดตารางนั่นแหละคือลักษณะของคนที่ไม่มีราบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาะให้เสกไม่มีจึงไม่มีใครอยากจะติดคุกกันไม่มีใครอยากจะยากจนกันไม่มีใครอยากจะเป็นขอทานกันเพราะว่าเราจะเราจะไม่มีความสุขนั่นเอง เราไม่มีลาบยศสารเสแส ร, ร, ส ร, ริญไม่มีรูปเสียงเก็บรสแต่ก็มีคนที่ฉลาดที่เป็นเหมือนคนตาดีเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ท่านกลับไปมองเห็นว่าการไม่มีลาบยศสรรเสริงไม่มีรูปเสียงเก็บรสโผทบานนี้มันมันมันดีเพราะว่ามันไม่ทุกข์แต่การที่เราจะมี การที่เราจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีรูปราบยศสรรเสริญเราก็ต้องมีอะไรมาทดแทนมันมีอะไรมาให้ความสุขแทนที่แทนความสุขที่เราได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสจากราบยศสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นผู้ที่ได้ทรงค้นพบว่ามีความสุขอีกแบบหนึ่ง เป็นความสุขที่ไม่ทุกเหมือนกับความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญอยากลูบเสียงเก็บรถต่างๆความสุขที่เกิดจากการทําบุญทําทานความสุขที่เกิดจากการรักษาสีความสุขที่เกิดจากการบ า, า, เ, า, กการเพ็ญจิตตะภาวนาทำใจให้สงบแล้วเราจะได้ความสุขอกีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นความสุขที่ ไม่มีวันสูงไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงถ้าเรารู้จักวิธีสร้างความสุขแบบนี้แล้วเราจะสามารถสร้างความสุขแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบที่เราเรียกว่าตัดสรู้พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ค้นพบวิธีสร้างความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เรากำลังหากันอยู่ขณะนี้พระพุทธเจ้าก็เคยมีความสุขแบบที่เรากำลังหากันอยู่แบบนี้พระองค์ก็เคยเป็นพระราชโอรสมีประสาทสามฤดูถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ก็มีข้ารหาสสามหลังมีไว้ที่กรุงเทพหลังหนึ่งที่สวิตเซอร์แลนด์หลังหนึ่งที่อเมริกาหลังหนึ่ง อยากจะไปอยู่ที่ไหนก็บินไปอยู่ได้ที่นี่ร้อนก็ไปที่สวิตเซอร์ลนด์เยนพอที่นั่นหนาวก็กลับมาที่นี่มีปราสาทสามเมืดูนี่คือพระพุทธเจ้าท่านก็มีความสุขแบบนี้มาก่อนแต่ท่านไปเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายที่ที่จะหาความสุขแบบนี้เห็นว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พอเวลาน่างกายแก่น่่งกายเจ็บน่างกายตายก็จะไม่สามารถที่จะหัความสุขแบบนี้ได้ต่อไปถึงทำให้พ่อองค์นี้มีความาหวาดกลัวกับการที่จะต้องเจอผ่านทุกข์เวลาที่พ่อองค์ทรงชทรงแก่ทรงเจ็บไข้ได้ป่วยและทรงตาย จึงทำให้พระองค์ต้องออกไปหาความสุขอีกแบบนึงก็เห็นนักบวชก็อยากจะถามว่านักบวชนี่เขาทําอะไรกันก็ทราบว่าเ้ากําลังหาความสุขอีกแบบนึ่ความสุขที่ไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้ลูกเสียงกิ่นลดกดทับะความสุขที่เกิดจากการระนับ ก, กายวาจาใจให้สงบให้นิ่อง เวลาการวา่าใจสงบแล้วจะมีความสุขมากพอเราก็เลยทรงไปบวชเรารู้ว่าถ้าอยู่ไปต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะทุกข์มากเพราะจะไม่สามารถหาความสุขเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มได้เหมือนตอนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนตอนที่ไม่ตายได้ อ ย, ยอมสละราชสมบัติสละความสุขเพราะครั้งหนึ่งในสมัยที่ทรงพระเยาว์ไว้เคยได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบมาครั้งหนึ่งตอนที่ประทับอยู่ตามลำพังอยู่ใต้โคนต้นไม้วันนั้นมีงานทางราชวังบรรดาบริษัทบริวารก็ไปทำงานอะไรกัน เลยปล่อยให้พ่อองค์ประทับอยู่ตามลำทงังพ่อพรอองค์อยู่ประทับตามลำทงังไม่มีใครมารบกวนจิตใจไม่มีใครม า, ายุ่งกับจิตใจของพ่ อ, องจิตใจของพ่ อ, องก็เข้าสู่ความสงบเราเคยเข้าสู่ความสงบมาแล้วในอดี ต, ตชาติก็ใน เ, เข้าสู่ความสงบก็ทรงรู้สึกแปลกประหลาดมาสัจจันว่าอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆ ไม่มีรูปเสียงเกียรติรสไม่มีอะไรแต่ทำไมใจของเราช่างมีความสุขอย่างมากมากกว่าความสุขที่ได้จากการได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานอะไรต่างๆก็เลยเป็นสิ่งที่กระทับใจของพระ อ, องค์พอทรงพบว่าต่อไปพระ อ, องค์จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เลย อยากจะไปหาความสุขแบที่ได้สัมผัสมาก็ต้องออกบวชต้องสละหน้าผ ส, สมบัติพรอองค์ก็เลยตัดสินพระไทยไปในคืนที่ได้ข่าวว่าพระม่เหสีได้คลอดอพระโอรสซึ่งพรอองค์ทรงรู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะไม่สามารถทิ้งพระโอรสได้ mm hmm. ก็เลยตัดสินพระไทยว่า ต้องไปในคืนนั้นทรงอุทานว่าบ่วงลาภุงบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วถ้าไม่รีบไปเดี๋ยวก็จะต้องถูกบ่วงนั้นรัดวางไว้ไม่สามารถไปได้องก็เลยต้องสลับาบยศเสริญสลับรูปเสียงเกียรติลดต่างๆแล้วก็ไปบำเพ็ญเพื่อทำใจให้สงบไปรักษาสิ่งให้บริสุทธิ์ รักษาศีลแปดรักษาศีลสิบเป็นศีลของนักบวชรักษาศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อไม่ทำอะไรให้ใจวุ่นวายการกระทำทางกายที่ผิดศีลก็จะทำให้ใจวุ่นวายได้เช่นเวลาเราฆ่าสัตว์รักชักประพฤตผิดประเวณีพูดปบเดินชราามา จะทำให้ใจเราวุ่นวายฟุ้งซ่านวิตกตังวลเดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปไม่ได้ฆ่าไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดตอใดเี้ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรทางร่างกายทางวางจาใจของเราก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะเย็นจะสบายแต่ยังไม่สงบเต็มที่ ถ้อาอยากจะให้สงบเต็มที่นี้ต้องใช้การเจริญสติเพื่อมาทำใจให้เป็นสมาธิให้ใจสงบทำไมต้องมีสติเพราะว่าสตินี้เป็นเหมือนกับเบรคของรถยนต์รถยนต์นี้ทำไมต้องมีเบรคเพราะเวลารถวิ่งแล้วเราต้องการจะให้มันหยุดเราก็ต้องเหยียบเบรกมันถึงจะหยุดได้ ใจของเราก็เป็นเหมือนรถที่มันคิดอยู่เรื่อยๆความคิดนี้ก็เหมือนรถกำลังวิ่ง่ถ้าเราอยากจะให้หยุดความคิดเราก็ต้องมีเบรกหยุดความคิดนี้สิ่งที่จะหยุดความคิดนี้ได้เรียกว่าสติถ้ามีสตินี้พอเราคิดอะไรปั๊บเราบอกให้มันหยุดปั๊บมันก็หยุดได้แต่ถ้าเราบอกให้มันหยุดแล้วมันไม่หยุดก็แสดงว่าเราไม่มีเสติเราไม่มีกาลังพอ ที่จะหยุดความคิดได้มเมื่อเราไม่มีกำลังสติมีน้อยเหมือนเบรกล้ยนถ้าเหยียบเบรกแล้วรถไม่หยุดแสดงว่าเบรผภาพเบรกมันหมดก็ต้องเข้าอู่ให้เขาไปสย่ยภาพเบรกใหม่ถึงจะหยุดรถได้ฉันั้ตอนนี้พวกเราก็มีสติแต่มีไม่มากพอที่จะหยุดความคิดความคิดบางอย่างก็หยุดได้ตอนนี้เรารู้ว่า ถ้าเราจะไปทําบาปเราก็บอกว่าไม่ทําได้แต่เรายังไม่สามารถหยุดไม่ให้มันคิดอะไรเลยไม่ได้มันยังอยากจะคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยแต่เราสามารถที่จะสร้างสติขึ้นมาให้มีกําลังจนเราสามารถหยุดความคิดต่างๆเหล่านี้ได้วิธีจะสร้าง สติให้มีกำลังมากขึ้นก็ต้องใช้กรรมฐานกรรมฐานนี้ก็คือเครื่องสร้างสติมีอยู่40ชนิดด้วยกันที่เราได้ยินได้รู้กันก็คือพุทธานุสติใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่สร้างสติด้วยการระลึกถึงพระพุทธคุณก็ได้เช่นเราสวดบทอิติ ป, ปิโสไป สวดมนต์ไปนี่ก็จะทําให้ใจเราหยุดคิดในเรื่องราวต่างๆได้เพราะเวลาที่เราสวดเราจะไปคิดถึงคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเราตั้งใจสวดจริงๆถ้าเราอยู่กับบทสวดมนต์จริงๆเราจะไม่สามารถไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ได้ถ้าเราสวดไปดานานๆเราก็จะไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ แล้วเวลาถ้าเราหยุดสวดแล้วมันกลับไปคิดเราก็สวดใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะสามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้ด้วยการสวดมนต์หรือถ้าเราไม่ชอบสวดมนต์เราจะใช้การระลึกถึงชื่อของ พ, พธธ ร, ร, ระพุทธเจ้าปดาเช่นครูบาอาจารย์ท่านสอนให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเราก็พุทโธพุทโธไปเดินขึ้นมาลืงตาก็พุทโธเลย อย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเราอย่าก็ให้มันคิดให้มันคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปนี่เป็นการหยุดความคิดสร้างเบรกขึ้นมายันไปลืมตาขึ้นมาลุกขึ้นมาจะไปอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแ ต, แต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปพุโทโธไปพุโทโธไป เร้มันจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆได้ถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเวลาที่เราต้องการหยุดความคิดเราก็จะหยุดมันได้ถ้าไม่หยุดเราก็พุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่คิดเองแล้วพอเราจะมานั่งสมาธิเราก็จะทาให้จิตรวมเป็นสมาธิได้ถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธพุโทโธ นั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุดโทพูดโทไปถ้าไม่คิดคิดอะไรเดี๋ยวมันก็ตกหลุมตกบอ่อแล้วก็รวมเข้าสู่สมาธิรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกขักกาตะโเหรือแต่สัแต่วารบางทีร่างกายก็หายไปเลยหรือแต่จิตล้วนๆหรือแต่ผู้รู้หยุดตามลำพันแล้วก็มีความสุขมีอุเบกขาปรากฏขึ้นมา ความสุขก็คือความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัมผัสตอนที่ทรงพระเยาว์ไหวนั่นแหละแล้วก็มีอุเบกขาคือความเป็นกลางของใจว่างจากอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆคือความรักความชังความกลัวความหลงถ้าเราได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะไม่ต้องไปหาความสุขจากลาบยอดสารเสญ ไม่ต้องไปหาความสุขจากูเสียงกิน่นรถผุดเภาเพราะเป็นความสุขที่หาได้ง่ายกว่าไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากเหมือนกับความสุขที่เราหากันในตอนนี้เพราะว่าเราต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วเราก็ต้องมีราบยศสรรเสริมีรูปเสียงกิ่นรดที่เราต้องการถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปความสุขที่เราต้องการก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ ถ้าอยากจะไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินไปเที่ยวก็ไปไม่ได้ก็ต้องอยู่บ้านพออยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวต้องอยู่บ้านก็รู้สึกเหงารู้สึกว่าเหวรู้สึกหดคูมันยากกว่าการที่เราหาความสุขจากการบริกรรมพุทโธพุทโธเพียงคำเดียวเท่านั้นพุทโธนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองกองเท่าภูเขาเลย หาได้ง่ายกว่าชกับไม่หากันชอบไปหาของยากๆ ก, กันทาไมของง่ายๆอยู่กับตัวเราอยู่กับใจเรากับไม่หากันลองพุโทโธพุโทโธไปรับลองได้ว่าถ้าเราสามารถมีแต่พุโทโธอยู่ในใจเราเพียงอย่างเดียวเนี่ยเราจะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากมีประสาทสามมือ ด, ดูมีบ้านอยู่ต่างประเทศมีบ้านอยู่ ที่อเมริกามีบ้านอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพเพราะกว่าจะไปถึงบ้านเหล่านั้นก็เหน็ดเหนื่อยต้องเดินทางกันต้องไปทําหนังสือทำพาสปอร์ตทาวีซา่าต้องจองเต๋วว่าเครื่องบินอะไรมากมายไปถึงก็ต้องไปทําความสะอาด บ, บ้านเหนื่อยถ้าไม่ทําก็ต้องไปจ้างเขามาทําอีกความสุขที่พวกเราหากันนี่เป็นความสุขที่แสนจะเหนื่อย แสนที่ยายากแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนี่เป็นความสุขที่แสนจะง่ายแต่กับพวกเรากลับเห็นว่ามันแสนจะยากเพียงแต่ให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธคำเดียวนี้จะตายให้ได้บริกรรมได้สองสามคำหายไปแล้วไม่รู้ไปไหนนะไปคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้นะคิดถึงขนมนะคิดถึงเครื่องดื่มนะเออมันเป็นอย่างนี้พวกเราเลยต้องมาติดอยู่ในกองทุกข์กัน ติดเงยกอยงกทุกข์แห่งราบลดสัมเสริญแห่งรูปเสียงกลิ่นลดปวดท่าพาและไม่ใช่ทุกแต่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นตายไปก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็กลับมาหามันแล้วก็กลับมาทุกข์กับมันีกแต่ชาตินี้พวกเราโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ได้รู้ความจริงว่ามีความสุขที่ง่ายกว่าที่ดีกว่าที่ท้าวรที่ไม่มีความทุกข์ คือความสุขจากการทำใจให้สงบให้เรามาหาความสุขแบบนี้กันถ้าเราสามารถทำได้แล้วหาได้แล้วเราจะสบายไปตลอดเราจะไม่ต้องกลับมาหาความสุขแบบที่เราหากันอยู่อย่างนี้อีกต่อไป <Yeah. S 1> เราไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้มาหลั่งน้ำตาอย่างที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้พ <Yeah. S 1> ระพุทธเจ้าบอกว่า ปริมาณน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี่ถ้ามารวมกันแล้วนี่มันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเลยที่ดูเชื่อว่าเราร้องไห้กันมาทุกกันมามากน้อยเพียงไรขนาดน้ำตานี่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่ยนีแหละคือความทุกข์ที่พวกเรากำลังหากันน่าจะหาต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา หรือถ้าพบแล้วเราไม่ทำตามที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราทำกันแต่ถ้าเราถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราเชื่อในคำสอนของพระธรรมพระสมแล้วเราน้อมนำออกไปปฏิบัติรับรองได้ว่าเราจะไม่ต้องมาหลั่นน้ำตากระอิกต่อไปไม่ต้องรอทุกข์ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจ พระพุทธเจ้าพระอาลันตสาวกท่านเป็นผู้พิสูจน์แล้วท่านเป็นผู้รับประกันแล้วว่าผู้ใดที่ปฏิบัติในแนวทางนี้จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้บางคนก็สามารถหลุดได้ภายในเจดวันก็มีบางคนก็ดุดได้ภายในเจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากนี่คือคํำรับประกันของสินค้าของพระพุทธศาสนา มีมาตรฐานอมกอรับรองใคยเป็นผู้รับรองก็คือพระอริยะสงสารุกทั้งหลายดูครูบาอาจารย์ที่เราไปกล่าวว่ามีองค์ไหนที่ไม่รับรองไหมทุกคนรับรองว่าทางนี้แหละทางเลิศทางประเสริฐทางที่จะนําไปสู่ความสุขคือนิบบานังปรามังสุขขังนำไปสู่ความบรมสุขของพระนิพพานอยู่ที่การทํา การควบคุมจิตใจของเรานี่เองแต่ขั้นต้นเราต้องสละก่อนเราต้องเลิกหาความสุขหาราบยศรสเสร์ญกันยุติการหาราบยศรสเสริญแล้วก็ไปรักษาสีนกันเราต้องยุติการกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้ใจเราวุ่นวายกิจกรรมคือสีแปดขึ้นไปถ้าเรายังไม่เลิกกิจกรรมเหล่านี้เราจะไม่มีเวลามา จะรียนพุทโธบริกรรมพุทโธมาทําใจให้สงบได้งั้นเราก็ต้องอยู่แบบนักบวชหรือใบบวชเลยก็ได้เหมือนกันถ้าถือเสียงแปดนี่ก็ถือว่าเป็นนักบวชแล้วเพราะว่าจะไม่หาความสุขจากล่ามยกสรเสริญะจะไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสทุพถะจะมาหาความสุขจากการมาควบคุมใจให้สงบมาฝึกสติกัน การปฏิบัติขั้นที่หนึ่งก็คือต้องมาสร้างสติกันเพราะสติของเราตอนนี้มันมันอ่อนมากกำลังมันน้อยไม่พอที่จะหยุดความคิดไม่พอที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้เราต้องมาฝึกสติโดยการหัดประลกรรมพุทโธพุทโธตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยหรือถ้าเราจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทน การบริกรรมพุทโธกันนะเช่นพอลืมตาขึ้นมาก็ดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังอยู่ในท่าไหนกําลังอยู่ในท่า น, า อ, อ, น, านอนพอขยับจะลุกขึ้นมานั่งก็ต้องรู้ล้วว่ากำลังลุกขึ้นมานั่งพอลุกขึ้นมายืนก็ต้องรู้ว่ากําลังยืนกําลังจะเดินก็ต้องรู้ว่ากําลังจะเดินกําลังเดินก็ต้องรู้ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกเอเรียบในทุกการกระทำํำร่างหน้าแปลงฟัน อาบน้ำแต่งตัวให้อยู่กับงานที่ร่างกายกำลังทำอยู่อย่าให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยกเว้นถ้ามีความจาเป็นจะต้องคิดก็หยุดการกระทำทางร่างกายแล้วเอาสติมาดูความคิดแทนต้องการคิดเรื่องอะไรคิดไปวันนี้จะไปทำงานวันนี้วันอะไรต้องไปทำงานต้องไปพบกับใครมีธุระอะไร คิดไปเพื่อเราจะได้รู้เป้าหมายของการดําเนินของเราในวันนี้ว่าเราจะต้องไปทําอะไรพอเรารู้แล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาเตรียมตัวแล้วก็มาเฝ้าดูการเตรียมตัวของร่างกายรับประทานอาหารเดินทางไปทํางานก็อย่าให้มันคิดให้มันเฝ้าดูว่ามันกําลังทําอะไรอยู่ถ้านั่งรถไปก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกไป หลับตาแล้วก็ดูนมหายใจเข้าออกไปนี่เป็นการเจริญสติถ้าอยู่กับร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติถ้าอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอนาปนาสติถ้าเราสามารถที่จะดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆด้วยการให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําของร่างกายใจของเราก็จะมีกำลังที่จะหยุดความคิดต่างๆได้ แล้วถ้าเรามีเวลาว่างเราไม่ต้องทำอะไรเราก็นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไปหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกไม่ต้องตามล ม, มเข้าไม่ต้องตามล ม, มออกให้ดูตรงจุดที่มันสัมผัสเข้าออกคือแถวบริเวณปลายจมูกให้ดูตรงจุดนั้นจุดเดียวถ้าเราตามเข้าตามออกมันจะไม่นิ่งเราต้องการให้มันนิ่ง ถ้าให้มันอยู่ที่จุดเดียวบางแห่งเขาก็าสอนให้ดูที่หน้าท้องที่ยุบหนอพองหนอนี่ก็ให้ดูที่หน้าท้องแทนเวลาลมเข้ามันก็พองเวลาลมออกมันก็ยุบจะว่ายุบหนอพองหนอก็ได้จะไม่ว่าก็ได้ให้รู้เฉยๆก็ได้ว่าว่ายุบว่าพองจะใช้พุทธโธด้วยก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ไม่จําเป็นบางคน ชอบใช้พุโทโธไปกับลมด้วยก็ได้บางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้ย่นบางคนก็ว่าพุทเข้าโธออกพุทเข้าโธออกไปข้อสําคัญก็คือไม่ให้เราไปคิดเสียงเรื่องอะไรต่างๆนั่นเองให้อยู่กับลมให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วใจจะลวมใจจะตกหลุมตกบ่อแล้วเข้าสู่สมาธิได้เวลาตกหลุมตกบ่อก็ไม่ต้องตกใจให้รู้เฉยๆเหมือนกับรู้ลม ว่าลมเข้าลมออกพอมันตกหลุมตกบ่อก็รู้ว่าเออมันตกหลุมตกบอก่อตกปั๊บมันก็จะนิ่งจะสงบแล้วตอนนั้นลมก็หายไปพุทโธก็หายไปไม่ต้องทําอะไรตอนนั้นจักแต่ว่าลูไปรู้ว่าใจมีความสุขมากรู้ว่าใจไม่มีความรับความชางังความกลัวความหลงถ้าร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ใจก็ไม่รู้เสพเหลือร้อน ถ้าได้ยินเสียงอะไรก็จายก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอารมณ์กับเสียงที่ได้ยินบางทีก็แบบไม่มีอะไรเลยลูกเสียงเกิ่นั้นหายไปหมดเลยก็มีนี่คือการเข้าสมาธิการเข้าสู่ความสุขที่เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่เคยมีกันถ้าเราได้พบกับความสุขรูปแบบนี้แนละ้วเราก็จะไม่อยากจะได้ความสุขแบบเก่า เพาะมันสบายกว่าง่ายกว่ามันยากตรงที่เราไม่เคยทําเท่านั้นแหละอะไรที่เราไม่เคยทํามันก็จะรู้สึกยากเช่นเวลาเราหัดพิมพ์ดีใหม่ๆนี้เราก็จะรู้สึกยากเพราะเราไม่เคยพิมพ์มันมาก่อนแต่พอเราหัดจิ้มไปเรื่อยๆจิ้มไปเรื่อยๆทํำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ทํานานขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ง่ายหรือเวลาที่เราหัดขับรถใหม่ๆก็รู้สึกยากถ้าเราไม่เคยขับรถนี่ยนะ ไหนจะต้องจับพวงมาลยัยไหนจะต้องเหยียบเบรกไหนจะต้องเหยียบน้ำมันไหนจะต้องเข้าเกียร์รู้สึกว่ามันยุ่งไปหมดแต่พอเราหัดขับไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เกิดความชำนาญขึ้นมาต่อไปก็ไม่ต้องคิดเลยเวลาขับรถนี่พอขึ้นปับ๊บสตาร์ทรถปั๊บก็เข้าเกียร์รถก็วิ่งได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันการบริกรรมพุทโธนี่เราไม่เคยทากันเหมือนกันแล้วเร่เสุดยาก เราเคยคิดเราชอบคิดนิดสัยใจเราชอบคิดไม่ชอบอยู่กับเรื่องเดียวชอบคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปต่อเรื่องนั้นต่อเรื่องนู้นเนี่ยต่อไปเรื่อยๆแต่การปล่อยให้มันคิดมันไม่ดีเพราะมันทำให้เกิดอารมณ์ทำให้เกิดความวุ่นวายใจเกิดความวิตกกังวลเกิดความห่วงใยเกิดความเสีย อ, อกเสียใจอารมณ์ต่างๆนี้เกิดจากความคิดของเราทั้งนั้น เวลาเสียใจก็เพราะเราไปคิดถึงของที่เราเสียไปเราเสียของที่เราลักไปเราก็เสียใจถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันเราก็จะไม่เสียใจเ ช, ช่นสมมติว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้ว เ, เราของที่เรามีของที่เราลักอยู่นี่ยถูกขมโมยไปตอนนี้เราไม่รู้เราก็ไม่เสียใจใช่หมเพราะเราไม่ได้ไปคิดถึงมันแต่ถ้าใครโท ร, รมาบอกว่าเฮ้ยเสียมีคนขมโมยของนั่นไปซะแล้วนะ พอมารู้ปับมาคิดถึงมันปั๊บก็เสียใจทันทีเสียใจเพราะอะไรเพราะไม่อยากเสียเพราะไม่อยากเสียของไปอยากทำไงได้มันเสียไปแล้วสู้อย่าไปคิดถึงมันดีกว่าหรือคิดว่ามันผ่านไปแล้วมันหมดไปแล้วมันไม่ได้เป็นของเราแล้วมันไปแล้วหรือถ้ามันยังอยากจะคิดก็ลองใช้พุทโธแทนถ้าให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธได้เดี๋ยวมันก็เลิมเรื่องที่ทําให้เราเสียใจ ความดีใจความเสียใจนี่มันเกิดจากความคิดของเราเท่านั้นแต่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันสลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยวคิดเรื่องดีใจก็ดีใจเดี๋ยวมีเรื่องเสียใจมาให้คิดก็เสียใจเพราะเราควบคุมความคิดเราไม่ได้เราปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆพาความคิดเราไปเราจึงต้องมาหัดหยุดความคิดกันเพื่อเราจะได้ไม่ให้เหตุการณ์ต่างๆมาบงการความคิดของเรา มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราถ้าเรามีสติแล้วต่อไปนี้ไม่ว่าเราจะเสียอะไรไปเราจะสามารถควบคุมใจไม่ให้ไปเสียใจได้มันไปก็ไปสิเราก็อยู่ของเราได้ใจถ้ามีโดยธรรมชาติของมันแล้วมันไม่ต้องมีอะไรมันอยู่ของมันได้เ แ, แต่ว่ามันถูกความหลงมาหลอกให้มันไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้มันมีความสุข มันก็เลยกลายเป็นคนพิการไปเข้าใจั้มคนพิการคือคนดีๆเนี่ยเดินโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เท้าก็เดินได้แต่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าต้องใช้ไม้เท้ามันก็เลยใช้ไม้เท้ามาตั้งแต่เด็กพอไม่มีไม้เท้ามันก็เดินไม่ได้เนี่ยพวกเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีราบยกเสียงไม่ต้องมีลูกเสียงกีนเลยไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุข พระพุทธเจ้าภาษาวกท่านที่สูจนให้เราเห็นแล้วว่าพวกเราไม่ต้องมีอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องหยุดใจของเราไม่ให้ไปพึ่งสิ่งต่างๆเท่านั้นเองตอนนี้ใจเรามันไปพึ่งจนติดเป็นนิสัยขึ้นมาเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดนยาเสพติดนี่เราต้องเสพไหมไม่ต้องเสพเราก็อยู่ได้ใช่ไหมแล้วอยู่สบายกว่าการเสพยาเสพติดเส คนที่ติดยาเสพติดกับคนที่ไม่ติดยาเสพติดใครจะสบายกว่ากันคนติดยาก็ต้องคอยหายามาเสพอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มียามาเสพก็จะตายให้ได้แต่คนที่ไม่ติดยาเป็นยังเดือดร้อนไหมสบายอยู่เฉยได้ไม่ต้องมียาเสพติดนั่นแหละตอนนี้พวกเรากำลังเสพติดกันรูปปะเสพลาบยกสารเสริญเสพรูปเสียงกลิ่นรสผุถะพระกันเวลาใดขาดลาบยกสารเสริญ ขาดรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเวลาไปติดคุกนี้เป็นยังไงเวลาล้มละลายกายเป็นคนขอทานนี้เป็นยังไงนั่นแหละเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดแล้วไม่มียาให้เสพแต่พวกเราเลิกได้เลิกได้ด้วยการทำตามที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทาก็คือเราต้องมาฝึกสติกันมาสร้างสติมาหยุดความคิดที่จะพาให้เราไปเสพไปติดกับสิ่งต่างๆพอเราหยุดความคิดได้แล้ว มันก็ไม่เสพมันก็ไม่ติดมันก็อยู่กับความว่างได้อยู่กับอยู่กับความสงบได้มีความสุขมากกว่ามีอะไรมากมายก่กอนนี่แหละก็เหมือนกันราบยศลาเสริมลูกเสียงกิ่นร้อนนี่เป็นเหมือนยาเสพติดเพราะพุทธเจ้าท่านไม่เสพแล้วพระสาวกท่านไม่เสพแล้วท่านมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เดือดร้อนแต่พวกเรานี้ไม่ได้ต้องมีอย่างเดียว ถ้าไม่มีจะต้องตายให้ได้เห็นไหมคนที่ฆ่าตัวตายเพราะอะไรก็ เ, เพราะต้องเสียราบยศสมรสเสียรูปเสียงเก่งลดไปนี้เองคนที่เจ็บไายได้ป่วยรักษาไม่หายอยากจะฆ่าตัวตายก็ เ, เพราะเหมือนคนที่ไม่สามารถเสพราบยศสมรสเสพรูปเสียสงเก่งลดได้นั่นเองเขาอยู่ไปก็ทรมานใจเขาก็เลยไม่อยากจะอยู่กันเขาก็อยากจะฆ่าตัวตาย คนที่ติดยาเสพติดก็เหมือนกันถ้าไม่มียาเสพติดให้มันเสพมันก็ไม่อยากจะอยู่อยู่ไปมันก็จะตายมันก็ฆ่าตัวตายนี่แหละนี่แหละตอนนี้พวกเราเป็นเหมือนพวกติดยาเสพติดกันพวกเราโชคดีได้มาพบกับคนที่ไม่ติดคือพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารแล้วท่านจะสอนวิธีให้เราเลิกเสพยาเสพติดได้โดยการให้เรามาถือศีลแปดกัรม แล้วก็มาอยู่วัดมาอยู่ที่สงบเพื่อที่เราจะได้มาสร้างสติกันตอนต้นเราก็มาอยู่ชั่วคราวฝ่า อ, อาทิตย์หนึ่งมาวันสองวันอะไรแล้วแต่เช่นวันหยุดทำงานแทนที่จะไปเที่ยวกันไปหาความสุขจากราบยกสรรเสริญจากรูปเสียงกิ่นรดเรามาหัดสร้างสติกันมาสร้างความสงบกันถ้าเรามาทาํแบบบ่อยๆเรื่อยๆต่อไปเราก็จะรู้จักวิธี สร้างสติขึ้นมารู้จักวิธีทําใจให้สงบขึ้นมาพอได้ความสงบเพียงครา้งเลียวแล้วจะติดใจทีนี้อยากจะทําทุกวันแล้วอย่าเลิเกอย่เคยทํางานทําการเคยทํากิจกรรมอะไรต่างๆนี่ก็ไม่เอาแล้วออกบวช ด, ดีกว่าเี่ย <Yeah. S 1> ดูประวัติครูบาาจาบางรูปเนี่ยท่านพอท่านได้พบกับความสงบแล้วท่านไม่อยากจะอยู่เป็นฆราวาสเน้่ยดันออกบวช พอจะได้สร้างความสุขแบบนี้ให้มันเต็มร้อยให้มันมีอยู่ทุกเวลาทุกวันนี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราจะไม่มีโอกาสที่จะได้รู้ถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มามาเผยแผ่เรื่องราวแบบนี้พวกเราชาตินี้ถือว่าโชคดีที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนา ได้เจอวิธีที่จะสร้างความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีความทุกข์ความสุขที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตาเกิดกันอีกต่อไปดังนั้นก็อยู่ที่พวกเราว่าเราจะเอาหรือไม่เอาวิธีคนที่เขาเอาเขาก็ได้คนที่ไม่เอาก็ไม่ได้เราต้องอยากได้ถ้าเราอยากได้แล้ว ร, รับรองได้ว่าเราจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับสิ่งที่เราอยากได้ ทุกวันนี้เราอยากได้อะไรกันเรากำลังทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับอะไรแต่เรากำลังทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับความทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะไม่มีใครบอกพวกเรานะทุกวันนี้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการหาลาบยศเสรเสริหาลูกเสียงกลิ่นลดกันเพราะไม่มีใครมาบอกว่าอันนี้เป็นการหาความทุกข์กันเพราะเราคิดว่าเป็นความสุขกันเราถึงสามารถหา ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาราบยศเสรเสริญสุขได้แต่ตอนนี้มีคนฉลาดมาบอกเราแล้วว่านั่นเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขวิธีที่จะให้เรามีความสุขก็คือต้องมารักษาศีลมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาไปอย่างนั้นถ้าเราอยากจะได้รับรองได้ว่าเราต้องได้แน่อนอนอยู่ที่ว่าเราอยากหรือไม่อยากการที่จะทาให้เราอยากเราก็ต้องดู ดูผลที่เราจะได้รับจากการกระทําระหว่างการหาลาบยศสำลัเสริญกับการหาศีลสมาธิปัญญาผลต่างกันอย่างไรถ้าหาลาบยศสำลัเสริญก็จะต้องเจอกับความทุกข์เจอกับการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าหาศีลสมาธิปัญญาก็จะพบกับความสุขที่ถาวรจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ถ้าเรามองถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับแล้วเราก็จะรู้เราก็จะเลือกเองเราก็จะรู้ว่าจะเลือกอะไรเมื่อเรารู้ว่าเราจะเลือกทางนี้เราก็จะได้มีความตั้งใจที่มีความอยากจะได้ทางนี้ขึ้นมาเหมือนกับเวลาเราไปฝากเงินที่ธนาคารธนาคารยังให้ดอกเบีย้ยสามบาทอีกธนาคารให้ห้าบาทเราจะไปฝากที่ไหนใช่ไหม ิธานาคารยังไม่ให้ดอกเบีย้ยกับเก็บข้าวฝากด้วยจะไปฝากที่นั่นหรือเปล่าจำนะอันนี้ก็เหมือนกันหาลาบยศสารเสริญสุขก็เหมือนกับหาความทุกข์หาการยืียนว่ายตายเขือ่อหาศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเหมือนกับการหาการหลุดพ้นจากกองทุกข์หาความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านหามาได้แล้วท่านยืนยันท่านพิสูจน์มาแล้วรับรองแล้วว่าทางที่ท่านหานนั้เป็นทางที่ดีที่สุดแล้ว วพระพุทธเจ้าไม่งงหรอกที่จะไปทิ้งปราสาทสามดูดูทิ้งราบดูสนับสริญแล้วมาอยู่แบบขอทานแต่การอยู่แบบขอทานนี้มันเป็นวิธีที่จะทําทให้เราสามารถสร้างสีนสมาธิปัญญาได้อย่างง่ายได้แล้วรวดเร็วยิ่งกว่าอยู่แบบเศรษฐีถ้าเป็นเศรษฐีจะปฏิบัติทรรนี่ยากเพราะจะไม่มีเวลามาเจริญสติตลอดเวลาเดี๋ยวต้องยุ่งกับเรื่องเองินเรื่องทองอยู่ตลอดเวลา จึงต้องออกมาอยู่แบบขอทานอยู่แบบนักบวชอยู่แบบคนติดคุกติดตารางอยู่แบบไม่มีลาบนโยนแสงแสงไม่มีความสุขทางตาหูจหมูกเน้อง่ายแล้วจะทําให้เรามีเวลาสร้างสติสร้างความสุขที่แท้จริงได้อย่างเต็มที่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยังขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไป พ, พิจารณาและปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาฟุร า, าริกขเรนติสาขังเอวามวะอิโตทินังเปตานาัง อ, อปุปการปติ อิชิตังปัททิตังสุนหังคิปวเมวะสมิจฉาตุสัพเพโเรนตุสัมกปายังโทปนาวะโสยถาเมณิโชติกะระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจานตุสัพพารโควินาศตุ มาเตภวะตวันตารายุสุขีทีคายุโกภวาอภิวาทานศีลิษะนิจังวุธาปจายิโนจัตตารุธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้มีคนเข้ามาทางเฟซบุก๊กเท่าไหร่สามร้อยสิค่ะสามร้ยสิบเจ็ดยยูทูบตา่าอาจารย์แสดงทำหกสิบหกสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ 45. สี่สิบห้าคถาต่อไปจากอินบ็อกซ์นะครับจากคุณกุ้งครับในช่วงเวลาที่ความทุกข์เข้ามาพร้อมกันหลายๆเรื่องจะทำอย่างไรคะจิตใจจะไม่อ่อนแอรู้สึกบางครั้งก็ทำได้ยากมากบัก ยากมากค่ะบจะประคองจิตใจให้เข้มแข็งได้อย่างไรครก็หยุดคิดก่อนใช้พุโทโธหยุดความคิดที่ทําให้ใจเราวุ่นวายใจเราคิดถึงเรื่องเหล่านั้นเองพอคิดแล้วมันก็ทําให้เราอ่อนไว้เห็นปัญหาแล้วแก้ปัญหาไม่ได้มันก็รู้สึกท้อแท้อยู่เลยอย่าขั้นต้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเลยได้เราหยุดคิดอย่งมันก่อนให้เรามาคิดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธไป เรื่องสวดมวนต์ไปพอเราคิดไปคิดพุทโธไปสวดมวนต์ไปแล้วเราก็จะลืมเรื่องที่ทําให้เราใจท้อแท้เบื่อหน่ายได้แล้วกําลังใจก็จะกลับมาใจจะสงบใจจะสบายแล้วเราค่อยกลับไปพิจารณาปัญหาแต่และเรื่องอันไหนทําได้ก็ทําไปอันั้นทําไม่ได้ก็ปล่อยมันไปไม่ช้าก็แล้วเดี๋ยวก็ต้องจบอยู่ดี ปัญหาทั้งหมดเดี๋ยวมันก็จบตอนที่เราตายจังงั้นถ้าเราคิดถึงความตายเราก็จะไม่ค่อยกังวลกับเรื่องปัญหาต่างๆแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็เดี๋ยวตอนตายมันก็แก้ของมันเองแล้วม้แต่เราเป็นนี่เท้าสิบล้า น, นาเนี่ยตายไปนี่สิบล้านหมดไหมหมดใช่ไหมงั้ไนไปกลัวทำไม คำถามทางเฟ e b o o กไลฟ์จากคุณสีนาค่ะขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายประโยคที่ว่าสิ่งทั้งพวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นเหตุแห่งทุกข์ค่ะคือสิ่งนั้งพวงนี้ท่าหนหมายถึงสิ่งที่มีการเกิดดับเรียกว่าสังขารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกรุงแตง่งรวมตัวของธาตุทั้งสี่กรดินน้ำลมไฟเอา่างนี้เมื่อมันรวมตัวกันแล้วมันก็จะต้องมีวัน แยกสลายไปเช่นร่างกายของเรานี้ก็เป็นการรวมตัวของธาตุทั้งสี่คือดินน้ําลมไฟแล้ววันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะละลายไปเหมือนน้ําแข็งเคยเห็นน้ําแข็งไหมเวลาเอามาตั้งไว้ที่กลางแดดนี่เดี๋ยวสักพักมันก็หายไปก้อนน้าแข็งหายไปกลายเป็นน้ำไปร่างกายเราก็เป็นเหมือนก้อนน้ําแข็งเดี๋ยวสักวันหนึงมันก็จะกลายเป็นที่เท่าไปดูเวลาคนตายไปดูที่เมน ตอนเช้าก็ไปเก็บกระดูกเก็บที่เท่ากันเนี่ยก็คือร่างกายของพวกเราเนี่ยมันเป็นสังขารมันเป็นการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะต้องแยกออกจากกันเราจึะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะถ้าเรายึดแล้วมันจะทําให้เราอยากให้มันอยู่กับเราแล้วพอเราอยากแล้วมันจะทําให้เราทุกข์ เวลาเราคิดถึงเราเวลาที่เราจะต้องตายนี่เราทุกข์ไหมทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราอยากให้มันอยู่อยากแม่หมันตายแต่ถ้าเราไปมองว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราจะทุกข์ไหมเหมือนร่างกายคนอื่นเราทุกข์ไหมร่างกายคนอื่นจะตายให้เราทุกข์ก็แบบเพราะเราไม่ได้ไปมองว่าเขาเป็นของเราเป็นตัวเราตายก็ตายไปเห็นเรื่องของเขาไงร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่น ไม่ได้เป็นของเราแต่เราไม่มีปัญญามองไม่เห็นเราเลยหลงกันไปไปยึดไปติดกับร่างกายแล้วก็อยากให้มันไม่ตายกันก็เลยทุกข์กันนี่คือที่มาของคำถามใช่ไหมถูกต้องไหมพ่อต่อไปคำถามจากคุณต้อมเช้งค่ะอาการตกหลุมหลังนั่งสมาธิเป็นอย่างไรรบกวนพระอาจารย์ขยายความด้วยค่ะ ก็เวลานั่งเครื่องบินแล้วมันตกหลุมอากาศเยมันวุบลงไปนะสมัยก่อนสะพานที่เขาสร้างนี่มันเป็นสะพานที่มันเวลาลงนี่มันจะลงแบบพุ่งพับเนี่ยมันก็จะรู้สึกวุบลงไปสมัยก่อนถ้านั่งรถยนต์แต่พวกคนที่อายุน้อยคงไม่เคยเจอสะพานแบบเก่าสะพานแบบเก่านี่เวลาลงนี่จะลงวุบลงไปเลยเหมือนกับตกหลุมตกบ่อลงไป อาการเวลาจิตจะสงบมันก็จะแบบนั้นแ่ะมันจะวุบลงไปเหมือนจากตกจากที่สูงลงมาหลกหนุมตกบ่อตกเขวเหมือนกับเราลงลิฟต์มาถ้าลิฟต์วิ่งเร็วๆเนี่ยมันวุบลงมาเนี่ยมันก็จะลงแบบนั้แต่อย่าไปคาดทะเงนายเวลานั่าอย่าไปนึกถึงมันถ้านึกถึงมันแล้วมันจะไม่เกิดให้นึกอยู่กับพุทโธพุทโธอย่างเดียวถึงจะเกิดคำถามจากคุณนันทนาค่ะ ความโลภโกรดหลงตัวความหลงคืออะไรคะหลงก็คือความไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆว่าเป็นเคราะเป็นทุกข์เนียเราไปหลงคิดว่าเป็นสุขเหมือนกับเห็นเห็นช้างเป็นวัวอย่างี้หลงไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงเราไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขกันเราทำให้เราโลภอยากได้สิ่งที่เป็นทุกข์กัน แล้วพอได้มาแล้วก็ต้องทุกข์กันอย่างที่วันนี้เทศหลงเนะ่ยไม่รู้ว่าลาบยศสารเสริญนี่มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จากเราไปเวลาได้มาก็ดีใจแต่เวลาจากไปก็เสียใจเราจะเห็นแต่ตอนที่เราได้เราจะคิดแต่ตอนที่เราได้โอ้ได้เงินมาแล้วเราจะสบายเราจะสุขกันแต่พอมาแตาไม่คิดถึงว่าเวลามันหมดแ้เป็นไง ได้แฟนมาก็โอ้ได้แฟนมาแล้วจะมีความสุขกันเดี๋ยวพอแฟนทิ้งเราไปจะยังไงมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นเลเนี่ยคือความหลงมองไม่เห็นความทุกข์มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันมีการเปลี่ยนแปลงได้มีเกิดได้ก็มีดับได้มีขึ้นก็มีลงมีได้ก็มีเสียเรามอง เ, องเพียงด้านเดียวมองเพียงแต่ด้าน ด้านดีด้านได้ด้านบวกเราไม่มองถึงด้านลบเราก็เลยหลงแต่คนฉลาดเขาจะเห็นทั้งสองด้านเห็นว่าได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียเมื่อเขอรู้ว่าได้มาแล้วเสียก็ามาเอามาทำมาให้เสียเวลาไซุ้ยอยู่คนเดียวไม่ดีกว่าใช่ไหแต่งงานกันโอ้ดีออกดีใจกันเดี๋ยยากันก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันทะเลาะ ก, กันท่ากันด่ากั น, กนว่ากันอันนี้แหละคือ เราหลงกันหลงเห็นแต่สุขไม่เห็นทุกข์กันอย่างนี้เราจึงต้องมาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรามองทุกอย่างว่าไม่เที่ยงทุกอย่างมีเกิดมีดับมีเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมาวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ไม่ดีได้วันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้อาจจะดีก็ได้ทุกอย่างมันกลับไปกลับมาขึ้ น, นลงอย่าไปยึดกับมันแล้วเราจะไม่ทุกข์ อย่าไปยุ่งกับมันเข้าไหมคืออย่าไปมีมันเลยเยพระพุทธเจ้าไม่อยากมีลาบยศเสนเสรือไม่อยากมีความสุขไม่มีไม่อยากมีปรส า, าสาทสามฤดูใช่ไหมเหมือนคนบางคนต้องมีคอนโดที่กรุงเทพต้องมีคอนโดที่พัทยาแล้ววุ่นนั่นแะก็วิ่งไปวิ่งมาหลอนกรุงเทพกับพัทยาคอยดูแลคอนโดเหนื่อยหรเปล่าอยู่นอนนอนใต้โคนต้นไม้ดีกว่าสบาย <c oughs> ไม่คำ ถ, ถามจากคุณสีนีค่ะผลแห่งการปฏิบัติธรรมอันใดที่เราปฏิบัติแล้วจะติดอยู่กับใจไปในภพชาติต่อๆไปบ้างคะทุกอย่างถ้าเรารักษาสีด้ามันจะติดไปกับเราเรานั่งสมาธิได้นี่ก็จะติดไปกับเราเรามองทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ามันก็จะติดไปกับเราคำ ถ, ถ, ถามจากคุณนันพนาค่ะ เมื่อเจอกับผัสสะที่ไม่พอใจทางกายวาจาใจทําอย่างไรถึงจะตามทันโดยไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเจ้าคะก็ต้องหยุดมันหยุดหยุดความคิดปรุงแต่งอย่าไปคิดถึงมันมันผ่านไปแล้วใครก็พูดอะไรมันผ่านไปแล้วเราเดินกลับมาคิดเองเขาดา่าเมื่อกีนี่ยังเดินกลับมาด่าตัวเราซ้ําอยู่เนะี่ยไม่เปิดเทปฟังนะ อัดเทปแล้วก็มาเปิดเขาด่าเราคําเดียวแต่เรามาฟังมันฟังมันกี่รอบฟังทีไรก็โมโหขึ้นมาทุกทีลบมันทิ้งไปเลยลบมันด้วยพุทโธนะมันหายไปแล้วเราเอามาอัดเทปฟังในใจเราเองบางทีเขาด่าเราแต่มาวานยังคิดถึงมันยังโกรธยังเสียใจอยู่เรื่องมันผ่านไปแล้วนะลบมันใช้พุทโธพุทโธลบมันอย่าไปคิดถึงมัน คนถามไม่กล้าถามคำถามจะคุณประดิษฐ์ค่ะสมัยนี้มีการขอขมากรรมมีหลากหลายที่ถูกต้องตรงจริงควรทำอย่างไรครับคือถ้าเราไปทำอะไรร่วงเกินคนอื่นเราก็ไปขอโทษเขาเท่านั้นเองเพื่อส่วนเขาจะให้อภัยหรือไม่นี้เราไปถ้าเราไปไปสั่งเขาไม่ได้เขาอาจจะไม่ให้อภัยก็ก็แล้วไปแต่อย่างน้อยเรา ก็เราก We We ็สำนึกในความผิดของเราแล้วเราก็ไปสารภาพเช่นเราไปมีชู้กับใครก็ไปบอกภรรยาหรือสามีตายเราี้อ็ขอคำมา เราจะได้สบายใจอย่างน้อยจะไม่ต้องมากังวลว่าเขารู้หรือไม่รู้นี่เลยครับ อ, อยู่ที่การจะด่าเราก็ไม่ได่าคำถามจากคุณน้อยค่ะโยมปฏิบัติทำตอนอายุมากจะสายไปไหมคะไม่สายหรอกเึงแต่ว่าจะทําการหรือไม่ท่าันง ถ้าปฏิบัติตั้งแต่หนุ่มมันก็มีเวลามากถ้าปฏิบัติเวลาใกล้าตายมันก็มีเวลาน้อยแต่ก็ไม่แน่บางคนเวลาใกล้าตายมันทําให้ขยันมากไม่ขี้เกียจรีดมันรีบปฏิบัติอย่างพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุเจวันก่อนตายแต่ต้องมีโค้ดดีๆต้องมีอาจารย์ดีๆไปคอยสอนมีพระพุทธเจ้าไปสอนที่ข้างเตียงนอนเลยก็เลยสามารถบรรลุเจวันก่อนตายได้ คำถามอีกข้อหนึ่งค่ะคนที่ได้ปฏิบัติทำตอนอายุยังน้อยนี่คือเขาได้ทำบุญมามากจากชาติที่แล้วหรือเปล่าคะส่วนหนึ่งก็เป็นบุญเก่าอีกส่วนหนึ่งก็โอกาสที่เราได้ในชาตินี้เกิดแล้วมีโอกาสได้พบกับพระดีๆท่านสอนปั๊บฟังปั๊บแล้วก็เกิดศรัทธาไปเลยก็ได้มันก็มีทั้งของอดีตและของปัจจุบัน ถ้ามาเกิดแล้วไปอยู่ในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี่ก็จะไม่มีใครมากระตุ้นบุญเก่าเราบุญเก่าเราไปเหมือนไฟกับมันต้องมีใครมาม า, มากระตุ้นให้มันประทุขึ้นมา <c oughs> ถ้าเราได้ยิดได้ฟังธรรมนี่มันจะสามารถกระตุ้นบุญเก่าที่เราได้ทําไวใ้ให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ดั <c oughs> งั้นการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นเหมือนกับการได้ มีผู้มาช่วยปลูกบุญเก่าของเราหรือเราเห็นทำรรด้วยตัวเราเองอย่างพระพุทธเจ้านี่ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเข้าก็เลยปกสติของท่านกลับขึ้นขึ้นมาปลกปัญญาของท่านขึ้นมาทําให้ท่านคิดและทําให้ท่านเห็นโทษของการติดอยู่กับอกองสุขแห่งาาลาภโยธาแสงดังนั้นแต่ละคนมันก็แล้วแต่มันต้องมีทั้งปัจจุบนันลั่นทั้งอดีต มากระตุ้นถ้ามีปัจจุบันกระตุ้นแต่ไม่มีอดีตเลยกระตุ้นกี่ทีมันก็ไม่ติดเ <c oughs> พราะมันไม่มีไฟเก่าก็ต้องมาสร้างไฟใหม่เราต้องพยายามมาวัดบ่อยๆมาฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆแลาต้อมาหัด ร, รักษาศีลมาหัดนั่งสมาธิบ่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวๆไฟใหม่ก็เกิดขึ้นเองคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะ ผลจากการนำคําสอนของพระอาจารย์ไปใช้ที่ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จะให้กล้วยไปเป็นส้มได้ไงทําให้เวลาเราเจอผัสสะที่ไม่พอใจก็คิดว่าเขาเป็นเช่นนั้นเองทําให้ใจเราเฉยขึ้นเยอะทุกน้อยลงเพราะเพราะใจมันกับเพิ่มน้อยลงแต่โยมคิดว่าถ้าใจไม่กับเพิ่มเลยจะไม่ทุกเลยจะต้องทําอย่างไรคะก็ต้องเห็นว่ามันเป็นส้มตลอดเวลาอย่าไปอยากให้มันเป็นกล้วย ถ้าเรามองทุกอย่างว่าเป็นอนัตตาตลอดเวลาเราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันเราก็จะปล่อยให้มันเป็นไปาตามความเป็นจริงของมัน mm hmm. อย่างฝนฟ้าอากาศนี่เราไม่ค่อยทุกข์กับมันเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเราเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาเราไปห้ามองไม่ได้ฝนจะตกเราก็ปล่อยมันตกไปพายุจะมาเราก็ปล่อยมันมาไป เราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเห็นว่ามันเป็นอนัตตาแต่พอไม่เห็นสามีเห็นภรรยาเห็นลูกไม่เป็นอนัตตาแล้วเป็นของเราไปทั้งนั้นพออะไรเป็นของเราขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทุกข์ขึ้นมาเมื่อนั้นเพราะจะเกิดความอยากให้เป็นตามความต้องการของเาไม่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของเราเราต้องปล่อยทุกอย่างให้มีเป็นไปตามธรรมชาติเอครับคำถามจะไปจาก youtube ครับจากคุณมดครับ ถามเรื่องสัจจค่ะปกติเดินจงกรมสองชั่วโมงถ้าทําเกินสัจจที่ตั้งไว้ถือว่าผิดไหมคะหรือว่าไม่ควรตั้งดีครัถ้าทําเกินถือว่ากําไรไ ม, ไม่ผิดหรอทกทําการก็ไม่ใช่เช่น <laughs> ยืมก็มาสองพันแล้วให้เข้าสามพันก็ไม่ผิด <laughs> <laughs> แต่อย่าไปให้เขแค่พันเดียว <laughs> คำถามจากคุณวิลาวันค่ะหลังจากเกิดอาการตกหนุมตกบอสเข้าพาวังจิตรวมลงเป็นสมาธิแล้วรู้ว่าดับหรือว่านิ่งสงบคำบริกรรมหายไปแต่ยังคงมืดอยู่ยังไม่สว่างค่ะจะดําเนินอย่างไรต่อใจจึงจะสว่างได้คะ อ, อ๋อไม่ต้องไปให้มันสว่างให้มันสงบ ก, ก็พอสว่างนี่ไม่เป็นปัญหาอะไรสว่างไม่สว่างไม่เป็นปัญหาอะไรให้มันสงบแล้วมันเป็นอุบเบกขาแล้วมันมีความสงบก็ ใช่ได้แล้วบางทีก็สว่างบางทีก็มืดไม่เป็นไรความสว่างนี่ไม่สําคัญสําคัญที่ความสงบสงบแล้วสบายใจอันนั้นแหละเราต้องการตรงนั้นใจว่างใจเบ า, ใจ เ, บาใจเย็นแล้วก็ให้มันอยู่อย่านั้นไปเรื่อยๆประครับประคองมันด้วยสติให้รู้เฉยๆอย่าให้มันคิดอะไรแล้วจนกว่ามันจะคิดแล้วเราหยุดันไม่ได้เราก็ปล่อยมันท้งอมา ถ้าเราอยากให้มันอยู่ต่อแล้วก็พูดโธต่อไปก็ได้แต่ถ้าเราเหนื่อยสู้นไม่ไหวก็ปล่อยมันออกมาแล้วก็มาควรจะคิดก็ให้มันไปคิดทางปัญญาแทนคิดที่ร่างกายว่าร่างกายเป็นไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของดินน้าลมฝ่ายเป็นของธรรมชาติธรรมชาติสร้างมันขึ้นมาเดี๋วธรรมชาติก็ข อ, อ, อคืนไปเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจยก คืนธรรมชาติไปตอนนี้เหมือนกับเรายืมร่างกายมาใช้จากธรรมชาติเดี๋ยววันหนึ่งธรรมชาติก็เขาก็จะมาขอคืนไปถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะไม่เสียใจเวลาที่เราจะต้องเสียน่างกายไปเราจะไม่ทุกข์ใจคําถามจากคุณวัดค่ะคนเราทุกคนพอตายไปถือว่าจบสลายไปถือว่าสิ้นสุดแล้วไม่มีการเกิดใหม่ตามที่ฝรั่งพูดถูกหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นร่างกายก็ใช่ร่างกายตายไปมือนก็กลับไปสู่ดินน้ำลงไปแต่ผู้ที่มาใช้ร่างกายนี้เป็น ผ, ผูู้ผู้ที่มาสั่งให้ร่างกายทำอะไรนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเป็นอีกคนนึงเป็นคนละคนกันเหมือนกับคนขับรถกับรถยนต์นี้เวลารถเสียรถทานี้คนขับเสียด้วยหรือเปล่าย่งนั้คนขับก็ยังอยู่คนขับก็ไปซื้อรถใหม่ถ้ารถเก่าเสียยังอยากใช้รถอยู่ก็ไปซื้อรถใหม่ ร่างกายนี้พอตายไปแล้วคนขับคือใจอยากจะได้ร่างกายใหม่ก็ไปเกิดใหม่แต่ก่อนจะไปเกิดใหม่นี่มันต้องไปรับไปใช้นี่หรือไปรับไปรับรางวัลก่อนถ้าทาบุญไว้ก็ไปรับรางวัลถ้าทาบาปไว้ก็ต้องไปใช้นี่ต้องไปเกิดเป็นเดือดชานไปเป็นเป็ดไปตกนรกก่อนจนกว่าใช้นี่หมดแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ หรือถ้าไปรับบุญก็ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆไปเที่ยวบุญสวรรค์ชั้นต่างๆระดับต่างๆพอบุญหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาทำกิจกรรมอย่างที่เคยทำใหม่ต่อไปคำถามจากคุณปาทองค่ะเมื่อสงบแล้วควรนำทำข้อใดมาพิจารณาคะอ๋อเวลาสงบยังไม่ต้องทำอะไรให้จิตสงบให้นิ่งเฉยๆนาน เพราะความนิ่งนี่ย เ, เป็นกําลังของจิตที่เราจะใช้ต่อสู้กับกิเลสปัญหาต่อไปเวลาถ้าเราใจเรานิ่งเป็นเวลาเกิดความโกรธล้วก็นิ่งเฉยๆไปความโกรธมันก็จะหยุดไปเององั้นพยายามเวลาสงบแล้วอย่าเพิ่งไปทําอะไรพยายามหาให้มันนิ่งไปนานๆานให้มันเฉยไปนานๆากน็เรียกว่าอุเบกขาให้มันเป็นอุเบกขาไปนานๆเพราะเวลาออกจากสมาธิมามันจะได้มีอุเบกขาอยู่นานๆ เหมือนกับเราเอาน้ําไปแช่ในตู้เย็นถ้าเราแช่ไว้นานๆน้ำมันก็จะเย็นมากพอเราออกมาจากตู้เย็นมันก็จะเนยเย็นนานกว่ากว่าถ้ามันไปแช่เดียวเดียวถ้าไปแช่เดียวเดียวมันเย็นไม่มากออกมาแป๊บเดียวเดียวมันก็ร้อนอ่ะใจเราก็เหมือนกันเวลาเข้าสมาธิก็เหมือนเอาเข้าตู้เย็นดีๆนีเ่เข้าไปให้ใจเย็นให้สบายพอออกมามันก็ยังเย็นยังสบายอยู่ใครดาก็ยังเฉยอยู่ ใครขโมยของไปก็ยังเฉยอยู่แต่พอสักพักหนึ่งพอมันเริ่มร้อนแล้วมันจะไม่เฉยแล้วนั้นเวลาตอนที่ออกมาตอนที่มันเย็นมันเฉยนี่เป็นเวลาที่เราควรที่จะมาสอนวิปัสสนาสอนความจริงเพราะเวลาถ้ามันไม่เย็นมันจะไม่ยอมรับความจริงใจเราถ้าเวลามีกิเลสมันร้อนนี่มันจะไม่ยอมรับมันจะไม่ชอบฟังอนิจจงทุกขังอนัตตามันจะชอบฟังแต่นิจจงสุขขังอัตตา เวลาที่ออกมาจากสมาที่เป็นเวลาที่เหมาะกับการสั่งสอนใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่ของเราทุกอย่างเป็นทุกข์นะมันก็จะเชื่อมันก็จะฟังแต่พอสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มไม่เชื่อละมันเริ่มร้อนกิเลสมันเริ่มออกมาทํา ง, งานแล้ะมันเริ่มอยากได้นู่นอยากได้นี่มันก็จะไม่เชื่อว่ามันเป็นทุกข์ล้วมันจะคิดว่าเป็นสุขตอนนั้นเราก็ต้องกลับเอาน้ํากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็น เราจิตกลับเข้าไปในสมาธิทําให้มันเย็นมาการที่เราต้องพิจารณานี้เราต้องพิจารณาบ่อยๆเพื่อให้เราไม่ไม่ลืมให้เราจําได้ตลอดเวลาถ้าเราพิจารณาครังสองครัง้งปับ๊บเดี๋ยวเราก็ลืมนะเดี๋ยวเราก็กลับไปคิดแบบเดิมคิดว่าดีเป็นสุขกระเป๋าใบนี้สวยเสื้อชุดนี้งามรองเทาง้าคู่ น, นี้สวยอยากได้ขึ้นมาทันที แต่ถ้าเรามีวิปัสสนาแล้วก็บอกเอ้ยมันก็เป็นความสุขเดียวเดียวละ่ะซื้อมาแป๊บเดียวดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็เห็นคู่ใหม่เห็นกระเป๋าใบใหม่ก็อยากจะได้ใหม่ขึ้นใหม่ละ่ะนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจต้องสอนตอนที่ใจยังเย็นยังสบายยังเป็นอุเบกขาอยู่ถ้าเราสอนตอนที่มันโลภแล้วสอนยากเนี่ยพอมันโลภแล้วมันจะเอาอย่างเดียวใครจะว่าไม่ดีอย่างไรมันก็ไม่ฟังละ่ะ ก็อย่างพ่อแม่สอนลูกว่าอย่าไปทํานู่นทํานี่นะแต่เวลามันอยากทําขึ้นมาแล้วสอนอยังไงก็ไม่ฝังจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะทําอย่างเดียวแต่ตอนที่เขาอารมณ์สงบสงบไม่อยากได้อะไรตอนนั้นสอนเขาเขาก็จะฝังได <c oughs> ้เพราะฉะนั้นการ <c oughs> การการทำสมาธิเพื่อทำใจให้เย็นให้เป็นอุเบกขานา น, านๆเพื่อออกมาเราจะได้สอนใจได้นานๆสอนได้นานเท่าไหร่ต่อไปมันจะไม่ลืม ต่อไปมันจะจำได้แล้วพอมันอยากจะได้แล้วมันก็จะรู้ว่าเป็นทุกข์เป็นเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันจะต้องจากต่อไปสักวันนีงพอเรารู้นี้ปั๊บเราก็ไม่เอาดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเราก็จะหลุดพ้นจากความอยากหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆคำถามจากคุณชวนค่ ะ, คะเคยฟังมาว่าคัาหัดที่ปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์จะต้องรีบออกบวช นี่เช่นนั้นจะดับขันในเจ็ดวันเรื่องนี้เป็นจริงไหมครับเออไม่จริงเหรอเรื่องร่างกายนี่มันจะตายเมื่อไหร่มันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมมันคนละคนกันเนี่ยร่างกายก็เรื่องของร่างกายใจก็เรื่องของใจแต่ส่วนใหญ่เขาก็พอบรษลุธร ร, รมนะ้วเขาก็ไม่รู้จะอยู่เป็นค า, ารวะทําไมเพราะเขาไม่กินเหล้าแล้วเขาไม่นอนกับแฟนแล้วอยู่ด้วยกันเดี๋วก็ทะเลาะ ก, กันเปล่า แม่เขาชวนเรากินหล้าเราไม่กินเขาชวนเรานอนเราไม่นอนกับเขาก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ดีก็ไปบวชดีกว่าบางทีพอดีมันมีเรื่องที่มันเจ็บรันขึ้นมาคนก็เลยคิดว่าเป็นพอบรรลุแล้วต้องบวชไม่งั้นจะตายอย่างพ่อพระพุทธเจ้าบรรดูเจ็ดวันก่อนตายเห็นไหมพอเราเจ็ดวันไม่ได้บวชก็เลยตายไม่เกี่ยวันตอนนี้กำลังจะตายอยู่แล้วกาลังไม่สบายจะตายอยู่แล้วหรือคนที่ฟังเทศจากพระพุทธเจ้า ตอนที่เดินบินทบาทพระเจ้าสอนแบบว่าเธอให้ศักแต่ว่ารู้นะเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรสักแต่ว่าได้ยินอผมว่าเข้าใจแล้วก็บอกขอไปเตรียมบริขารจะไปขอบวชพอไปเตรียมตัวเดินทางไปเตรียมตัวถูกกระทิ้นขวิดตายก็เลยกลายไป็นว่าเห็นไหมพอบรรลุแล้วไม่ได้บวชป้า ก, ก็เลยตายเลยมันไม่เกี่ยวกันนะเรื่องของาาร่างกายมันเป็นเรื่องของกรรมของวิบาก ถึงเวลาที่มันจะต้องตายมันก็ตายมันไม่ได้ทํามันไม่ได้เป็นเพราะว่าบรรลุเป็น้พระแล้วจะต้องตายทันทีแล้วทำไม่บวชแต่จะตายนไม่เกี่ยวกันคําถามจะคุณนิตาค่ะเวลานั่งสมาธิพอจิตเริ่มสงบดิ่งลงอยู่ๆมีเสียงเปียะทําให้ตกใจวุบลงไปคืออะไรคะก็ให้รู้เฉยๆว่าเป็นเสียงแล้วก็พยายามประคับประคองใจอย่าให้เป็นตระหนให้มันเฉยๆต่อไป ถ้าไม่เฉยก็ใช้พุโทโธพุโทโธทำให้มันเฉยแล้วก็อยู่กับความเฉยไปเรื่อยๆทุกอย่างที่ปรากฏก็ให้พิจารณาว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปสนใจมันคำถามจากคุณต้องค่ะคนที่ตายไปจิตจะไปใช้กรรมทันทีเลยใช่ไหมคะไม่มีการวนเวียนอยู่กับญาติพี่น้องหรือลูกๆค่ะก็ไม่แน่จิตบางจิตมีความผูกพันมาก ก็จะมาเป็นตุ๊กแก่มาเป็นจิ้งโจกก่อนไปได้อย่างพระที่ท่านมีความรักจีวรพอท่านตายไปท่านก็กลับมาเป็ดเกิดมาเป็นตัวแมลงตัวเลนมาเกาะชายจีวร อ, อยู่เจ็ดวันแล้วตายแล้ค่อยไปไปใช้บุญใช้กรรมต่อแต่ช่วงที่ตายใหม่ๆมีความรักมีความผูกพันกับสิ่งที่ตนรักก็เลยทาให้ยังไม่ไปใช้บุญใช้กรรม คำถามจากคุณต้องค่ะโยมมีความรู้สึกว่าเรากลับมาปฏิบัติธรรมเราจะรู้สึกสบายผ่อนคลายแต่พอนานๆไปเราก็มีอารมณ์ที่ไม่ดีกลับมาอีกคือจิตเราอ่อนแอเพราะเราไม่ค่อยฝึกฝนใช่ไหมคะใช่ถ้าเราไม่มีสติเราไม่ควบคุมจิตเดี๋ยวกิเลสตัณหามันก็ออกมาออกมาว่าลวดลายมันก็จะทาให้เรามีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมา แต่ถ้าเรามีสติมีธรรมะอยู่เรื่อยๆมันก็จะคอยคุมพวงนี้ไว้ไม่ให้ออกมาสร้างความไม่สบายใจต่างๆให้กับเราคำถามจากคุณพานุวัตรค่ะเพื่อนที่ชอบว่าเราพูดจาไม่ดีกับเราอยู่บ่อยๆเราหยุดโดยเงียบไม่คุยต่อด้วยแต่เขาทำให้เราทุกข์ใจจะทำยังไงดีครับที่เราทุกข์ใจเพราะว่าเราอยากให้เขาไม่มาพูดไม่ดีกับเรา เราต้องทาใจว่าเราห้ามกขไม่ได้เขาเป็นเหมือนเสียงฟ้าร้องเสียงนกเสียงกาจะไปสั่งให้เขาหยุดไม่ได้ปล่อยเขาร้องไปถ้าเราไม่ไปสนใจไม่เอาม า, อาไม่เอามาคิดไม่เอามาแบบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรปล่อยเขาพูดไปคิดว่าเป็นเหมือนเสียงฟ้าร้องเสียงลมพัดไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาไม่ทุกขกับการพูดของเขา คำถามจะคุณปติญญาค่ะเคยนั่งสมาธิจนลมหายใจหยุดตัวหายไปแต่แต่พอสักครู่นั่งไปรู้สึกตัวหายลมหายใจหายกลัวตายตกใจออกจากสมาธิอยากถามพระอาจารย์ว่าถ้าเกิดนั่งสมาธิแล้วเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีกจะต้องพิจารณาอะไรต่อครับอก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปตกแต่งอย่าไปกลัวบอกว่าจิตกําลังแยกออกจากร่างกายชั่วครา ไม่มีปัญหาหคําถามจะเป็นพนมค่ะทำมาบทไหนครับที่บิดาขอบพระพุทธเจ้าที่ได้รับฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุครับก็ในประวัติพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไปกูบคกันดูก็เสด็จดูใน ก, กรุงโตวะได้ว่าพระพุทธเจ้าโปรดท้าบิดาเจ็ดวันก่อนตายใส่เข้าไปเดี๋ยวก็เจอเอง คำถามจากคุณกุลค่ะการนั่งสมาธิแบบเพ่งจนว่างกับแบบการวางจนพบความว่างตัวรู้ทํางานเหมือนกันไหมคะคือวิธีการจะไม่เหมือนกันแต่ผลเหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกินข้าวกินกว๋วยเตี๋ยวก็อิ่มกินข้าวผัดก็อิ่มจะแล้วแต่วิธีของที่กินนั้นไม่เหมือนกันแต่ผลก็ได้รับก็เหมือนกันก็คือความอิ่มจะพุโทโธก็ได้ดูลงหายใจก็ได้ จะเพงอะไรก็ได้เพ่งแล้วทำให้มันสงบมันว่างก็ใช้ได้เหมือนกันคําถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะหลายคนไม่เชื่อว่าเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงพวกเขาจึงใช้ชีวิตแบบไม่กลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายในภาคหน้าพวกเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนเหล่านี้ เราจะอยู่อย่างไรไม่ให้ใจของเรามีอารมณ์กับพวกเขาเจ้าคะก็เหมือนกับเราอยู่กับคนตาบอดเราจะไม่มีอารมณ์กับคนตาบอดทำไมในเมื่อเขามองไม่เห็นสิ่งที่เราเห็นเราก็ทำอะไรไปตามความรู้สึกไม่คิดของเขาแท่นั้นเองแล้วก็ปล่อยก็ทําไปปัญหาของเราอยู่ที่เราไปอยากให้เขาเห็นเหมือนเราคิดเหมือนเราเขาก็ไม่คิดเหมือนเราเห็นเหมือนเราไม่ทาเหมือนเราเราก็เลยไม่สบายใจท่าน แล้วก็แยกกันอยู่ไปเขาก็อยู่องเขาไปก็อยากจะกินเหล้ามายา ก, ก็ปล่อยเขากินไปก็อยากจะสัมสอนก็ปล่อยเขาสัมสอนไปเราก็รักษาเสียงของเราไปเหมือนก็เรื่องตัวใครตัวมันพระจ้าบอกใครทำกรรมใดนไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับเห็ของกรรมนั้นไปเพราะเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสอนเขาไม่ได้ไปบอกเขาไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ คำถามจากผู้ประสองค์ออกนามค่ะโยมติดการฟังทำเหมือนใจต้องการอาหารใจทุกๆวันแต่จะให้อิ่มใจโดยทพ่งตนเองให้ได้นั้นต้องทาตัวเหมือนลิ้นกับแกงใช่ไหมคะคือหลังจากฟังแล้วเราก็ต้องเริ่มปฏิบัติใหม่ๆก็ฟังไปก่อนฟังไปถึงจุดหนึ่งแล้วเราต้องรู้แล้วว่าเราต้องถ้าเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความสุขของใจเราต้องมาปฏิบัติ พ่าเราจะได้ความสุขจากการปฏิบัติมากกว่าความสุขที่ได้จากการฟังเทศธรรมหมดนล้วเหรอดีค่ะเพราะว่าไม้ใช่ถามจากคุณมาสเตอร์ค่ะพระเครื่องที่หักนั้นเราจะทําให้ละเอียดแล้วนํามาสร้างพระใหม่ได้ไหมครับได้ก็เป็นดินเป็นดิ น, เ ป, น, ดนเป็นโลหะเราก็ทุบเป็นใหม่แล้วก็มาสร้างใหม่ก็ได้